อายาที่ห5สบห้าถึงอายาเจ็ดสบสาหสบห้าถึงเจ็ดสบสามแล้วคนอ่านกุราหนให้มาลฝนตกนละล้วทดสอบ Kunai b a l a s a n anak kaukanlah. Amin. Tolong. ف ันนั่วร ل สุชา ي ن فإنهم لاأكلون منها فما ليونا من هالبطون ها นั่นแหละขุมลยาลาชบะมินฮามีนซุ่มไม่นะมารจีอุลอลัลจับฮีนอินนั่มอัลฟอินนฮมอัลฟบะ พวกเขามาแล้วอาสัตَ์ของพวกเขาย่อมรับและเราได้ถูกหลَกก่อนพวกเขาจากบรรดาผู้แรกและเราได้รับการส่ง و ا ن ظ ر كيف كان عاقبة ا ل م ن ذ ر ي ن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ه ه الله م ม่ยั ه งด ل a فلا مضلله وَمَن ي ُ ض ل ّ ل, ل ف َ ل َ ه َ ا, إ ه د ِ ي َ ل َ ه أَشْهَدُ وَلَا إ ِ ل َ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ بِكَأَصْبَحْنَا و َ ب ِ ك َ أ َ م ْ س َْ ن َ ا وَبِكَنَحْيَا و َ ب ِ ك َ ن َ م ُ و ت ُ وَإِلَيْكَ النُّشُور أعوذ ب ك ل م ا ت الله ا ل ت م ا ت ى من شر ما خلق بسم الله ا ل ذ ي ل ا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضي ت ب الله رب وب الإسلام دينا وب محمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل و س و ء ا ل ك ب ا ر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 อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺิลลอฮฺอัลาอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮัลลอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺองลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ่ัลลอฮที่ลวมนฺอัลลอฮฺที่ลอออฮอัลลอฮฺอัลทีฺ่ัลลอฮัลลอฮัลลอฮฺอองอัลลอฮฺอัลัลอ นะครับตับซีอัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านทิ้งท่านอัลฮัมดุลิลลพี่น้องเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานุฮุวาตาลาให้นึกถึงอัลลอนึกถึงอัลลอนเรียกภาษาภาษาอัลุรานก็คือวิกเตรถึงอัลลอให้รำลึกถึงอัลลอฮเยอะๆมุมิเนี่ยมุสลิมเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ตามของโลกนีต้องทำหกอย่างทุกวัน หนึ่งให้อ่านกูรานทุกวันสองให้นมัอย่าให้ขาดทุกวันรวมถึ้งนมัสรวาติบด้วยนะหน้าหลังก่อนขรดูหลังขัดูข้อที่สามให้บริจาคสม่าเสมอไม่ใช่เงินอย่างเดียวหนึ่งบริจาคอย่างอื่นด้วยเช่นยิ้มก็เป็นการบริจาคเห็นของที่เป็นอันตรายทางเดินเนี่ย เราเดินมาเราเห็นเนี่ยมาก้มลงเก็บโยนเอาไปอยาให้เป็นอันตรายแตุ่คลที่สัญจรไปมานั่นก็เป็นซาตอก็นะครับข้อที่สีให้ขอดูอาสมั่งเสมอเรื่องใหญ่มากครับต้องขอดูอาทุกวันขอยกตัวอย่างจะขึ้นรถต้องขอดูอาใช่ไหมจะลงจะรถไม่ต้องขอพอจะเข้ามาสัสยิดต้องขอดูอา อัลลอใ์้ม่้องมีตัวอาให้ตลอดนั่นแหละนะครับแล้วก็ให้นึกถึงอัลลอฮ์ยเกถึงอัลลอ์ตลอดเวลาแล้วก็ข้อที่หกเนี่ยต้องติดต่อกับเครือญาติอย่าทเล่อกับเครือญาติี่ถ้าเราไม่ทำเรื่องนี้เนี่ยนะชีวิตเราทั้งวันจ่เสียหายหมดเลยผมอ่านอะไรเนี่ย ไลน์บางเฟซบางเยอก็ส่งส่งกันมาก็ได้ข้อคิดเยอะยนะขอ mm hmm. ขอให้กำลังใจนิดนึงนะบอกว่ากระดาษแผ่นเดียวเนี่ยวุ่นวายทำชีวิตนะกระดาษแผ่นเดียวนะที่เขาเขียนกันมาเราก็เอาเอาเอาานื้อหาเนี่ยมาอธิบายพวกเราเพื่อจะประกอบว่าถ้าไม่มีอิสลามกำกับชีวิตเนี่ยนะเสียหายหมดเลยนะทั้งชีวิตเลยอ่ะ <c oughs> เสียหายตอนไหนรู้ไหม ตอนนี้ไม่รู้สึกตัวหรอกพอตายพอวิญญาณจะออกจากร่างเพิ่งรู้สึกตัวว่าฉันเนี่ยทำผิดทาผิดเสียใจายมากเลยเนี่ยตอนนั้นอะอะไรบังคับกระดาษแผ่นเดียวนะทั้งชีวิตหนึ่งใบเกิดใบเดียวเริ่มต้นชีวิตพอไปแจ้งเกิดจะรู้แนละ้วนี่เริ่มต้นชีวิตแล้วนะปริญญาบัตร ปิญญาบาตจะเป็นระดับหมหกปิญญาตรีปริญญาโทปิญญาเอกอะไรก็ตามต้องดิ้นรนทำชีวิตใช่ไหมถ้าไม่มีอิสลามกำกับชีวิตเนี่ยขาดทุนหมดเลยน ะ, อะตอนตอนเกิดเนี่ยถ้าอิสลามไม่มีคโนพมไฟกว่าไหมเป็นทำตาหนีกว่าไหมเป็นอาจารย์ที่หูขวากว่าไม่เป็นขาดทุนไม่ขาดทุนฉะนั้นต้องมี อิสลามเนี่ยสุนทรนาบีกำกับชีวิตของมุสลิมทุกคนทุกครอบครัวเลยอันที่หนึ่งใบเกิดใบเดียวนะเริ่มต้นชีวิตถ้าไม่มีอิสลามกำกับชีวิตในเริ่มต้นชีวิตไม่เป็นน่ะเป็นยาบารใบเดียวน่ะต้องดิ้นรนทั้งชีวิตใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่มีอิสลามกำกับชีวิตราดนามาต์จากรทั่งมหมอปอนึงถึงถึงด็อกเตอร์เลยนะไม่ได้นามาสวัคตูน่ะถามว่าขาดทุนไหมลน่ะ ไม่อ่านคูอานเลยอ่านดัตตมลา ย, ยาฮูดีทั้งหมดเนี่ยขาดทุนไหมใบสมรสงันหมายถึงต้องรับผิดชอบผู้หญิงคนหนึ่งทั้งชีวิตเลยนะไอ้รับผิดชอบถ้ารับผิดชอบไม่เป็นเนี่ยพากันลงนรกกันสองคนเลยเพราะนั้นอยู่กับครอครัวอยู่กับภรรยายอยู่ยังไงมีให้เอลเราะโกรธนะ่ะเสียงอาจารย์อ่าอนคูอานยิกุรุลโลเนี่ยห้าหกข้ อ, ขอเนี่ยต้องทําอยู่เป็นประจําเลย แล้วก็บัตรค่าราชการเนี่ยต้องแข่งขันกันชิงดีชิงเด่นกันทั้งชีวิตใช่ไหมข่าราชการที่ผ่านมาแล้ว น, นั่นะชีวิตทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีอิสลามกํำกับชีวิตขาดทุนหมดเลยนะแล้วก็ใบใบคำคำสั่งแต่งตั้งเนี่ยต้องวิ่งเต้นวุ่นวายทั้งชีวิตใช่ไหมแล้วก็ถ้าไม่มีอิสลามกํำกับชีวิต ท้าไม่มีหกข้อมันจะทําเลยนะขาดทุนหมดเลยเหนื่อยด้วยไปนอนละผละบุญระวังตอบแทนจากอัลลอฮ์ไม่มีด้วยดีไม่ได้บาปอีกอะวิ่งเต้นกันนะธนบัตรเงินใบเดียวนี่ไปน้องลําบากทั้งชีวิตใช่ไหมทำทั้งอาหารกินแสวงหารุสกีของอัลลอฮ์แล้วก็ไอหกข้อนะั้นไม่ได้ทาเลยนะ่ะฟรีได้เงินมาก็ฟรีไปน้องครับประกาศนิยบตัตรกิตติมศักดิ์ ออลอักวัตเนี่ยออลอเนี่ยต้องหลงตัวเองขนาดไหนอ่ะหลงตัวเองฉันจบด็อกเตอร์มาออลอักวัตทั้งชีวิตเลยนะเสียหายหมดเลยอะ่ะแล้วข้อสุดท้ายคนะ่ะมรณนาบัตเนี่ยสิ้นสู่ชีวิตถ้าตายไม่มีาศาสนาเป็นยังไง <laughs> ตายไม่รู้จักอลอลไม่ได้กล่าวเลยอิเลอลออ ล, ละนะ่ะฉันต้องตายในโรงพยาบาลชั้นหนึ่ง ราคาเป็นส0สิบล้านยี่สิบล้านก็ได้ถ้ามีนางพยาบาลยืนคุมอยู่เข้าใจผิดหมดเลยฉะนั้นเวลาตายมันต้องนึ ก, กว่าสุนทรนาบีให้ตายแบบไหนที่สง่างามตายในสภาพไหนที่ดีที่สุดนี่ถ้าไอ้ห7เจ็ดข้อเนี่ยนี่มันหลอกดุงยาเป็นดุงยาหลอกหมดเลยถ้าเราไม่เข้าใจอิสลามอย่างเดียวนะท้งชีวิตเนี่ยพอเ า, าบ้านตายชีวิตลาบากหมดเลยครับผมทำตัวเลแล้ว วันนี้มาอายะที่เท่าไรหกสิบห้าสุัสโซฟาโฟาแปลว่าอะไรการตั้งแถวแต่เราตั้งแถววันละห้าเวลาต้องนึกฉันต้องตั้งแถวให้มันถูกต้องก็มีรางวัลตอบแทนจากอรตั้งยังไงให้ชาวชิดกันต้องนึกตลอดเวลาแสวแถวที่หนึ่งไม่เต็มแถวที่สองตั้งไม่ได้ แต่ี่เป็นต้นต้องนึกตลอดเวลาต้องเรียกด้วยนะครับวันนี้มาอายาที่หกสเราในกำลังเรียนเรื่องชาวนรกนะ่ยก่อนหน้านี้เรียนเรื่องชาวสวรรค์ใช่ไหยอยู่สวรรค์มีจริงนะมีจริงเราอยู่ในสวรรค์เป็นเรื่องจริงแล้วก็มีชายสองคนขอทวนนิดหนะึ่งอยู่บนดุนยาเนี่ยค้าขายกันสองคนเยอะมาก ที่ว่าได้เงินมาเท่าไรแปดพันเดิรหมแบบ่งกันคนละครึ่งคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยก็เอาเงินของเขาเนี่ยไปปลูกบ้านแต่งงานไปซื้อที่เอาพฟร์ิเจอร์เข้าบ้านไม่ได้บริจาคในานามของอลัลลอฮ์เลยแต่อีกคนหนึ่งเป็นมุมินที่ศรัทธาต่ออัลลอ์ยอมสละทั้งหมดในานามของอลัลลอ์หมดเลยพอต่อมาคนที่เป็นมุสลิมที่อีมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยเงินหมด ก็ไปขอยืมเพื่อนด้วยการที่ทามาค้าขายด้วยกันพอไปคอยืมก็ถามว่าเงินคุณหายไปไหนหมดบ้านคุณก็ไม่เห็นมีเขาก็ตอบว่าฉันมีบ้านอยู่ในสวรรค์ที่ดินก็ไม่มีฉันมีที่ดินไม่เห็นอย่างแล้วคุณมีอะไรอันนี้ก็ตอบอยู่ในสวรรค์หมดเลยเมียก็ไม่มีคุณเห็นไหมเจ้าฉันไม่เมียอยู่ในสวรรค์พฟร์นิเจอร์ก็ไม่ซื้อฉันอยู่ในสวรรค์หมดเลย คุณเชื่อเรื่อง ว, ว่ารอเม่แล้วคุณเชื่อหรือ ว, ว่าตายแล้วฟื้นอ่ะคุณเชื่อระ่ ว, ว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีความสามารถที่จะตอบแทนให้นู้นให้นี่รอคุณหรือเปล่าเนี่ยกาลังคุยคุยกันอยู่ก็มีเสียงบอกว่าอยากจะดูไหมแหละเพื่อนคนนั้นน่ะยังอยู่นะเขาวอกให้ชงโงกไปฟัตาะลาฟรารอาหูฟีสวาวอินญาฮีที่ผ่านมาแล้ว่นะพอชงโงกไปก็เจอเพื่อน พอเห็นหน้าเพื่อนก็จําได้เลยนึกถึงลุญญาเลยชายคนชาวสวรรค์ก็พูดว่าฉันนี่นะเกือบคุณนี่เกือบทันให้ฉันปนปี้คุณเกือบทันให้ฉันเนี่ยวิบัติคุณนี่เกือบทาให้ฉันเนี่อลำบากนี่นะถ้าใจอ่อนเชื่อคุณวันนั้นนะฉันทิ้งอิสลามแล้วต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ปกป้องฉันไม่ให้ทิ้งอิสลาม อยู่ในศาสนานี้วันนี้ฉันอยู่ในสวนสวรรค์ลแล้วแล้วคุณอยู่ไหนนรกเราเรียนมาแล้วเรื่องนี้จะมาแต่ทวในให้ฟังอีกครั้งหนึ่งทีงนี้วันนี้เราจะคุยเรื่องคนในนรกตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วทีนี้คนในนรกนี่อยู่ยังไงพี่น้องคือคนในสวรรค์นี่เขากินน้ํากันนะอร่อยแล้น้ําเหล้าก็อร่อ ย, อ ร, อ, ยอร่อยหมดแล้วก็นั่ง เห็นหน้าเข้าหากันมุตกอบีนเอาศัพท์ไปด้วยนะเราก็นั่งเรียนกันเรวก็แลกแก้วกันนึกภาพดุลยาด้วยวันนี้แลกแก้วกันได้ไหมไม่ได้แต่ในสวรรค์เนี่ยเอาล่อแลกแก้วให้กันแล้วก็อิจฉาไม่มีริษยาไม่มีทะเลาะกันไม่มีตั้นภาพในสวรรค์หมดเลยเอามาดูภาพในนรกวันนี้กินอะไรมาไหมเวลาหิวเนี่ยกินต้นไม้อะไรรักกู ต้องจําภาษาไว้ซักกูมซักกูมเนี่ยเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้ น, น, นใน น, นรกในก้นนรกคนที่แอนตี้ต้นซักกูมไม่มีนะอบูญะ ล, ลุงนบีเลยครับลุงนบีบอกว่ามื่อมาสอนอะไรอะ่ะต้นซักกูมเนี่ยมันขึ้นในไฟได้ยังไงมันขึ้นในนรกได้ยังไง มันต้องขึ้นบนดินมีอากาศเย็นๆมีน้ําใส่ด้วยต้นซา ก, กูมมันจะเจริญดู ม, มั่วมาสอนอย่าไปเชื่อมพรนะาะมักหนาเห็นไหมนาอูซบิลัยมีตาเด็กนี่อัลลอฮฺได้นะกับอิมรุอานว่าต้นซา ก, กูมมีจริงแล้วก็ขึ้นในไปในรกยิ่งร้อนยิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็วันนี้มาอธิบายว่าผลไม้ของต้นซา ก, กูมนะหน้าตาเป็นยังไตงตอนหลอฮะ กค่หน้าห um ูรูสุชยาตีนต้ลอฮากค่หน้าหูรูสุชยาตีนต้นองฮานี่แปลว่าผลของมันผลของมันผลต้นรัดตูมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกค่หน้าหูประนึง รูอูชแปลว่าหัวหัวหัวสิษะรูอูชแปลว่าสิษะเป็นพระุพจน์นะเอกพจน์เรียกว่าเราะซุนเราะซาในรูอูชหัวหรือีิสะสิสะของใครอัชชะยาตินหัวของใครหัวของไซต์ตอทําไมเอาลอดเล่าเรื่องหัวไซัยตอนทั้งๆที่เราไม่เคยเห็นหน้าไซต์ตอน ตองกอารอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะอลัลลอฮ์ทราบไซตตอนมาอาลัลลอฮ์รู้ว่าหัวไซตตอนเป็นยังไงเพราะเรามองไซตตอนไม่เห็นใช่ไหมแต่อัลลอฮ์เล่านะหัวไซต์ตอนมีหน้าเกลียดหรือน่ารักในตำเซตอธิบายไว้นะครับท่านวุบิบิบหนึ่งหัวหน้าบ้าก็บอกว่ามัมน ม, ม, นมีมันมีผมด้วยนะหัวเขาไซตตอนน่ะผมมีด้วยแล้วก็ผมนี่นะชี้นึกภาพเองก็แล้วกัน ชี้ขึ้นฟ้ายาคนนั้นนาวันออะไล้วาาลไม่รู้เห็นไหมเนี่ยรอเล่าให้ฟังนะแล้วก็สองกลิ่นเหม็นผลคนน้งมันที่ออกมาน่หัวเหมือนไตอนแล้วก็กลิ่นเป็นยังไงกลิ่นเหม็นเหม็นขนาดไหนา น, านี่นบีเล่าเองนะครับนบีเล่าบอกว่า อ, อนิบเนี่ยอับบาสละเดลลอฮฺอัลลอฮอลลอฮเมื่อท่านนาบีอ่านอ่านอายานี้นี่ยนะ ตอนเล Ugh, ่าการนับรู้ส <esos kä> <indo> ุชาตินนบีก็อธิบายเลยนะบอกว่าอิตะกุลลอฮฮักตุกอตีพี่น้องเอ๋ยมาถึงพันดาวชาวบนนบีเอ๋ยจงกลัวอัลลอฮ์อย่าไปกลัวใครนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นฟะาดาอันนักก็ตลอดตุมก็ตลอดจำมินนัชกุมก็ตรอดฟีบิฮาริลุญยาท่า ต้นซักกูมเนี่ยนะน้ำของมันเนี่ยหยดหนึ่งของต้นไม้ซักกูมเนี่ยหล่นลงมาในในทะเลในมหาสมุทรในโลกดุญญนยาใบนี้และอัฟซาด ท, ทาให้น้ำเนี่ยเสียหายหมดเลยทําให้น้ําเสียหายหมดเลยน้ําในมหาสมุทรเนี่ยเสียหายหมดเลยนี่นบีพูดเองบางคนกค้านนาบีพูดไม่จริงมึง เองจะเป็งบบอบูยฮานใช่ไหมฉะนั้นให้เชื่อนบีให้หมดข อ, อนบีอธิบายว่าต้นมะจั ก, กูมมีผลออกมาแล้วก็ถ้าหากว่าเอาเอาน้ําของมันหยดหนึ่งจากต้นมะจั ก, กูมเนี่ยมาไว้ในทะเลมาหยอดในทะเลเพียงหยดเดียวน้ําหยดเดียวทําให้มหาสมุทรทั้งหมดในโลกนี้เสียหายเหม็นหมดเลยไงกินไม่ได้เลยนี่นบีอธิบายอัลลอฮฺบกว่า แต่ท่านก็นบอกว่าฝากริฟวฝา บ, บิมันยากรูนอตออามูนี่จะเื่องนี่เป็นอาหารสําหรับคนชาวนรกจะขนาดไหนนี่เป็นอาหารของชาวนรกทําไมต้องเป็นชาวพ่อชาวนรกหนึ่งปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธสุนัข น, นาบีปฏิเสธนบีเลยปฏิเสธอัลกุรอานไม่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นและไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีความสามารถทะใช้ไปยืนอยู่ต่อนหน้าอัลลอฮ์ได้แล้วก็ตอบแทนรางวัลให้ฉันไม่เชื่อ นี่คือโทษของคนที่ปฏิเสธหลักการที่ความรู้ที่ผ่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลอยยูบะสัลลัมอัลลอฮฺบอกว่าขดีของอิมามติมีรีนาซาอีอิบหนุม aja อิมามติมดีบอกว่าฮาดีฮดีสุนซุีฮุนอัลลอฮฺสรุปก็คือหยดเดียวของต้นไม้สกุลหยดลงไปในมหาสมุทรของโลกดุนยา การเป็นอยู่ของมนุษย์ที่อยู่บนโลกดุนยาแบบนี้เสียหายหมดเลยตายหมดไม่มีประโยชน์พี่น้องครับนี่เล่าให้ฟังถึงในนรกนี่เป็นแบบนี้นะครับเหม็นไหมน้ำน้สะกูลอโลเหม็นสุดๆเด็กคนที่พูดขวางว่านาบีพูดไม่จริงนะครอับูยะฮันลุงนบีเองพีน้อง น, นี่อลัลลอ์เก็บเรื่องทำนี้เล่าให้พวกเราฟังวันนี้ให้นบีมุฮัมมัดฟัง ให้นบีมาสอนพวกเราเองอย่าฝุนคำสั่งอัลลอฮ์นะแต่ละข้อแต่ละข้อก็ย้ำปฏิบัติตามอัลลอฮ์หมดเลยครับต่อมาครับอายาที่66ฟิาอินนาหุมละคิลูนามินเฮฝ่ามาลิอูนามินฮัลบุตูน ฟَอินนาฮุมแล้ว <todo> ก <communist happening> ิลูนามิِฮาฟَมาลิอูนามินฮัลบุตูนอัลลอฮุอะบดุลลาห์อัลลอฮ์ดีจริงที่อ่านนี้ฟาอินนาฮุมแล้วพวกเขาเราต้องมชาวคนชาวนรกนะ น่มุมินไม่ตกนรกนะต้องขอใจนะแต่เล่าภาพให้คนให้มุมินฟังอ่าเวลายึดอ ah ัลลอฮ์เลยยึดจริงๆสุนนน์นบีทำเป็นเล่นๆไม่ได้อย่าลืมนะกุรานต้องอ่านสม่าเสมอหาความรู้บริจาคสม่าเสมอยึดอัลลอฮ์ให้มันแน่นนะฟะอินน่าฮุมและพวกเขาก็จะละกิรูนะจะกินมันเป็นบหุพดหมดเลย อาติรูนผู้กินพวกเขาจะเป็นผู้กินมิ้นทาจากต้นไม้สักปูมนั้นคนชาวนารกจะได้กินต้นไม้สักปูนี่อร่อเล่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเวลาหิวนวะมันก็ต้องกินใช่ไหมล่ะไอเล่านะ่ะหิวอยู่ในสวรรค์กินอะไรกินผ ล, ลไม้ก่อนใช่ไหมอร่อยหลากหลายชนิดราอาร่อยด้วยนี่สงสารคนคนกาเฟ่นนะ อยู่บนดุนยาเป็นเนี่ยเขาอร่อยนะมาแต่เราไม่อร่อยใช่ั้ยตรงกันข้ามนะเราอยู่แบบระวังตัวตลอดเวลาใช่ั้ยแต่คนกาแฟลางตัวไหมไม่ได้ระวังเลยพวกไรศรัทธานะนะลดลงโทษพวกเขาจะกินจะกินมันนะฟามาลิูน่ามาลาอาแปลว่าเติมให้เต็มเติมให้เต็ม และพวกเขาจะเติมทองให้เต็มบูตูษไปว่าทองพวกเขาจะเติมทองให้เต็มหรือให้แน่นจากการกินผลไม้อันนี้เวลาหิวต้องกินน่ะทนี้ไปกินต้นสั ก, กูมเนี่ยอร่อยไหมไม่อร่อยเลยอุลมามอธิบายในตำสิทมิรอกีอธิบายบอกว่า เรามันหนักนะเวลามันร้อนด้วยอ่ผสมได้นะผสมด้วยน้าร้อนด้วยนะต้นตะกูมเนี่ยผสมด้วยน้าร้อนด้วยเวลาเอาเอาสายปากเนี่ยความร้อนเนี่ยเวลาพอพอมันกล้าจะถึงปากเนี่ยมันมันต้องผ่านหน้าก่อนเนีมาควันมันผ่านหน้าพราผ่านหน้าเนี่ยหน้าติ้งอ่ะมันยากอ่ะเลือเล่อนเลื่อนเนี่ยหลุดออกมาน่ะที่ใบหน้าเนี่ยโอ้โหทรมาน ไม้สักกลมเ น, นี่ยนะตัวไม้สครูม น, นี่นะผสมด้วยน้าร้อนด้วยน้าเลือดด้วยน้าหนองด้วยพอจะเอาเข้าปากเดี่ยวมันผ่านน้าําร้อนที่หน้าเนี่ยแล้วก็พอสายปากไปพอผ่านลําคอเจ็บลําคอผ่านลําไส้กัดลําไส้เอาอุจจาระมันซาบิกลัวอ่านแล้วกลัวนะครับถ้าไม่อ่านสบายอะ่ะไม่ต้องรู้อะไรเลยท่านอยู่บนดุงใจนี่เพลินกับ าราชญ์พยาบาทพยาเอกด็อกเตอร์พยญธิวพยาตรีวิ่หงหาอะไรแข่งกันที่เล่ามันได้กินนะหาหกรายการเนื่อยนาพี่น้องทาไม่มีอิสลามกำกับชีวิตอย่างเดียวเนี่พังหมดเลยนะชีวิตนะแต่ดุจยาเนี่พังไหมไม่ให้ให้อาไปเลยเอาไปเอาไปแบบฟาโรกูลใช่ไหมตอนถูกสร้าง ข, ของชีวิตระบากหมดเลยอิ น, น้ำอินทรีย์แล้วพวกเขาก็จะกินมัน ฟามาลิอูนะ่และพวกเขาจะเติมท้องให้แน่นหรือให้เต็มกินผลไม้ต้นรักกูมนั่นกินแล้วเนะี่ยมันแสบคอมันเจ็บคออธิบายคำนี้คำว่าบูตูเนี่ยบับตรนุนเนี่ยในคัมภีร์กุรอานพูดอธิบายเอาไว้สองสมเรื่องเอาผมเล่าให้ฟังเลยนะเป็นการเสริมเนี่ยเสริมนะเสริมเสริมเสริมเสริมรมอีมานนะ่ะ นบียูนุส อ, อยู่ในท้องใช่ไหมท้องอะไรอยู่ในทองปลาก็ใช่บัตตอนูเหมือนกันบุตู น, นี่แหละชายศัพท์คำนี้นะ่ะทองปลานาบียูนุสเนี่ยหนีงานศาสนาหนีเตือนพวกเรานะอย่าหนีค่ะศาสนาอย่าหนีนะทำอยู่ในศาสนานี้ไม่ใช่อยู่อย่างเดียวนะังสอนด้วยนะ เตือนด้วยนะพยุนุษย์หนีใช่ไหมพักพวกไม่อิมานก็อลรอฉันไม่ไหวจะสอนก็หนีไงนะอันละที่เรารู้ก็อยู่นะขึ้นรบนขึ้นเรือก็ต้องกระโดดออกจากเรือใช่ไหมแล้วก็มาอยู่ในท้องปลาอยู่ในท้องปลาภาษาคํานี้แหละบูตูนบตนาตูนโฮตินอยู่ในท้องปลาเป็นยังไงรู้ไหมพอปลากินไปแล้วอยู่ในท้องปลานี่ยอลัลลอฮฺเล่าเองนะ ถ้าหากนบียูนุสเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่สรรเสริญต่ออัลลอ์ล่วงหน้ามาก่อนก่อนที่จะลงอยู่ในท้องปลาเนี่ยสรรเสริญอัลลอฮ์ชมอัลลอฮ์สรรเสริญพูดยกย่องอัลลอฮ์มาตลอดเลยนะถ้าหากไม่ยกย่องอัลลอฮ์ไม่สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ลาลาบิซาฟีบาปนีฮีละยาอุมิยูบอซูน นบียูนุสจะอยู่ในท้องปลาจนกว่าจะถึงวันเตียมยเห็นยั ง, ยงครับแต่เนื่องจากนบียูนุสเนี่ยเชื่ออัลลอ์งานสรรเสริญอัลลอฮ์กล่าวสุภาพลอออลฮัมดูลิ a, ล่า ah, อยู่ตลอดเวลาพอตกในที่ลำบากปับ๊บนึกถึงอัลลอฮ์ดูอาบทนาที่นบียูนุสอ่านละอิลาฮ์อิลล่อันต สุบฮานะกะอินนีกุลตัมวมีน้อโวลีมอันดัว บ, บทนี้ต่างหากเ่ยแล้วก่อนหน้านี้ก็อ่านมาอีกใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์บอกปลาคายสั่งให้ปลาคายถ้าไม่นึกถึงอัลลอฮ์ามาก่อนล่วงหน้าใช่ไหมแล้วก็ตอนอยู่ในท้องปลาไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยเนี่นะอัลลอฮ์เล่าว่าฉันจะให้นบียูนุสอยู่ในท้องปลาจนกว่าจะถึงวนันติยามะ แล้วก็อยู่ในท้องบาลสางามไม่ล่ะฉะนั้นการสรรเสริญต่ออั o, ลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากฉะนั้นสแสวงหาฤสกีแบบไหน ล, ลืมมันล่อน่ะครับท่านยาเป็นคนที่สแสวงหาฤสกีใบโน้นใบนี้อะไรก็ตามแต่ไม่ลืมไม่ลืมอัลลอฮ์หมดเลยนะี่นะขาดทุนอย่างไหญ่เยและอีกเรื่องหนงึ่งคําว่าบุตรกุลเมืกันบัตรตนนุลเนี่ยเด็กที่อยู่ในคันมานดาเนี่ยอยู่ในท้องใคร ท้องแม่โบราณอธิบายอย่างนี้นะครับอยู่ในท้องแม่น่ะอยู่ในความมืดสามมืดใครรู้อ่ะไปนองหมอเองก็ไม่รู้เนี่ยเราไล่จากเพื่อนโบราณพอเรียนหมอผมจะรู้อ๋ออยู่ในสามมืดมืดยังไงหนึ่งอยู่ในทารกทารกคุมอยู่ฮะสองอยู่ในอยู่ในมดลูก หนึ่งอยู่น่ะอยู่ในรกสองมดลูกเนี่ยรอดเล่าเองน่ะอยู่ได้รกอยู่ในมดลูกอยู่ในท้องแม่ไอ้มาคุมอยู่ข้างนอกเนี่ยสามขั้นสามชัน้นเพื่อต้องการจะบอกยะฮูดีเอ็งต้องการจะสร้างมนุษย์ใช่ไหมเอ็งต้องผ่านสามรายการอันนี้ถ้าจะสร้างมนุษย์ไม่ผ่านสามรายการมานี่สร้างมนุษย์ไม่ได้ <c oughs> ดักยะฮูดีไว้ก่อน <c oughs> ว่าย่างเดียวฉันสามารถทําได้ทุกเรื่องอ่ะเอ็มได้เรื่องเดียวเรื่องเงินอย่างอื่นจงทําไม่ได้เอ็มคุมโลกนะคุมได้คุมเรื่องเงินอย่างเดียวฉันเอื่นจะไม่ให้คุมถ้าคุมมนุษย์ได้นะว่าฉันสร้างมนุษย์ได้นะอย่าลืมการสร้างมนุษย์ต้องผ่านสามขั้นตอนหนึ่งนะ้ำอสุจิอา้าไม่อาจจะหาได้อสุจิใช่ไหมเอาคนนั้นมาเอาคนนี้มามารวบเป็นอสุจิใช่ไหมแต่ต้องผ่านหนึ่งหมดลูก สองโลสามทองแม่เอาไปสร้างนอกมดลูกไม่ได้มนุษย์เกิดไม่ได้นี่เป็นการเตือนยากูดีเองต้องระวังตัวเหมือนกันนะเองแข็กับอัลลอฮ์เองเจอแน่นะ <c ười> ใครที่คิดทรยศต่ออัลลอฮ์สุพรรณวัดอลาเอาเล่าเรื่องสองเรื่องพอเรื่องทองอย่างเดียวนะเอาต่อมาอายาที่ห7สบเจ็ดซุมมอนินนละหุมอัลเยฮา ละชาบานมินพามิมซุมม์อินนั่ลอม عليها ละชาบานมินพามิมดูสาพก่อนนะครับชาวบุญเนี่ยชาวบานนี่แปลว่าผสมชาวบุญแปลว่าผสมนะผสม ตรองว่าต้นไม้ตะ ก, กูมน้ำมันที่ออกมาแต่ต้นตะ ก, กูมนั้นต้องผสมน ะ, ะผสมผสมอะไรครับมินม้นฮามีน้ำเดือดผสมด้วยน้ำเดือดโอโนี่ลองอธิบายให้เข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายเลยแล้วทดเละ ก, กูมเห็นไหม เหม็นและผสมน้ําเดือดอีกโอ้โลอักบัตอุลมะอธิบายต่อนในตำสิบอิบมมาโรกออีบอกว่าเวลาเอาอะไรนะเอาน้ําเดือดผสมกับซา ก, กูมเนี่ยนะพอจะเข้าป่าต้องผ่านหน้าเพราะถูกหน้าเนี่ยหน้าเหมือนกับเยี่ยย่างอะ่ะโอ้โลอักบัตอธิบายแล้วมันนะแล้วก็ใบเนี่ยเลือด อ, อะไรนะเนื้อมันจะร่วงลงมาเนี่ยแต่ไม่ตายเห็นยั้นครับทรมานขนาดนี้ พอกินไปในลําคอแสบพอเข้าไปเกินผ่านลําไส้กัดลําไส้อีกตายไหมไม่ตายโทรมาอย่างนั้นแล้วอัลลอฮ์จะอยากตายอัลลอฮ์จะอยากตายจริงๆตะโกนอยู่นั่นแล้วให้ตายไหมอัลลอฮ์ไม่ให้ตายอยู่บนดุงจนทรนี่ถ้าเจอเรื่องหนักๆแค่ตายเรากลัวตายอีกถัดเดินตามกุรอานจะไปกลัวตายทําไมอะ จิงตายสีีิตไปไหนอัลลอฮอักวาาหมดกัดเจ็บกว่าเห็นยังนี่นบีสอนฉะนั้นนิดอัลล์ลงโทษนะของคนชาวนะรกที่แอนตี้อิสลามดานบีมุฮัมมัดดาอัลกุรอานดาซุน่นาบนบีที่รอเรียนนบีที่ฟรีฝรั่งเศสก็เหมือนกันถ้าไม่เต้าบ้าตัวต่ออัลล์เองเจอทั้งหมดนี่แหละแต่อยู่บนดุงจานนี่อัลลอ์ให้นะเอาไปเลยเไปโลกเดียวนะ ล ก, ลกที่สองให้ไหมอาคิราะไม่ได้แล้วนะครับอัลลอฮฺอัลบทีนี้ในตำสิทธิ์อนธะิบายไปว่าสาเหตุเนี่ยทำไมอัลลอต์องลงโทษถึงขนาดนี้เนี่ยเราเล่าเองนะสาเหตุใหญ่ก็คือไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดไม่เชื่ออัลกุรอานแต่ไปเชื่อปู่ย่าตายายสำคัญมากครับ ปู่ย่าตายายนี่อิทธิพลสูงนะนี่เราเนี่ยสอนกันนะมาอย่าเดินตามประเพณีปฏิบัตินะเราก็ถูกตำหนิเยอะใช่ไหมเราก็ทนไปน้องพออ่านพุณอ่านแล้วเนี่ยเอาล้ อ, ลอเตือนการตามปู่ย่าตายายทำไมไม่ใช้สมองเอาล้ อ, ลอส่งนบีมาแต่งตั้งนบีมาให้พุรอ่านมาเนี่ยมันงันหนัะขนาดไหน ปฏิเสธกุรอานปฏิเสธนบีอัลลอไม่เชื่ออัลกุรอานไม่จับอัลกุรอานทั้งชีวิตเลยเนี่ยมันขาดทุนันหนเจ้อัตมาอายัหกสิบแปซุมมาอินนัมัรจีอาหุมลาอิลัลยมมซุมมาอินนัมัรจีอาหุมลาอิลัลยมม ทุมม์ um ah อินนัมรจ عهم ลาอิลละฮหิมอายะนี้ตัวการจะบอกว่ากินน้ํำผสมด้วยน้ําเดือดเสร็จแล้วเนี่ยเราเล่าเลยนะเมื่อตายแล้วเนี่ยต้องฟื้นนะอ่าเป็นการย้ำให้รู้นะตายแล้วต้องฟื้นตายไม่ไม่ใช่ตายแล้วตายเลย อย่างคนไร่ศรัทธาเนี่ยเชื่อว่าตายแล้วตายเลยเอลัลลอฮ์มีความสามารถไหมอลัลลอฮ์ไม่มีความสามารถที่จะให้คนตายฟื้นขึ้นได้นีอ่อัลลอฮ์เล่าเอกซุมมาอินนามารดิเยาะฮุมแล้วแท้จริงมารดิอยาะฮุมการกลับของพวกเขาหรือที่กลับของพวกเขาตายแล้วพอฟื้นขึ้นมาทุกคนจะต้องกลับไปหาใครกลับไปหาอลัลลอฮ์หมด แต่สำหรับคนที่ไม่เอาศาสนาละอิลล์ยฮิมพวกเขาจะกลับไปคืนสู่ไฟนรกที่ลุกจ่าเห็นไหมกลับเหมือนกันกลับไปหาอัลลอฮ์พออัลลอฮ์ตัดสินแล้วไปไหนละอิลล์ยาฮิมยาฮิมแปลว่านรกที่ลุกจ้าที่ไฟแรงพี่น้อง แน่นอนเป็นเรื่องจริงหมดเลยครับพี่น้องนี่อ่านๆกรอ่านแค่สองสามบรรยายนี่ถ้าไม่กลัวนะนึกแลออ้วอลนรกมีจริงครับและที่กับของคนไร้ศรัทธานั้นกลับไปหานรกหมดเลยครับตายแล้วต้องฟื้นนะแล้วก็ตอนตายเนี่ยอัลลอฮ์ให้เห็นให้เห็นโทษแล้วให้เห็นอย่างเดียวนะแต่พอพอฟื้นขึ้นมาพอไปเยอะอยู่ตอนนั้นอัลลอฮ์จะนิดสัมผัสได้จับได้ เจอจริงๆตอนอยู่ในกุโบน่ะเห็นภาพอย่างเดียวไม่เท่าไรพอฟื้นขึ้นมาเจอจริงๆเลยจับได้จริงๆโอ้โหอยู่ในกุโบแค่ฝันฝันว่ากินนู่นกินนี่ก็ทรมานโอ้โหมันฝันไปเบาไปหน่อยพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพจริงๆเลยโอ้โหเอาต่อมาครับอายาที่หกสิบเก้า อินนามอัลฟาอับะุดลนอนี้มาแอ้แวอนนามอัลฟาอบะุดลนอันนี้เตือนนะครับนบีนะเป็นห่วงเรื่องนี้แหละ จึงได้เตือนญาติพี่น้องอย่าเชื่อปู่ย่าตายายนะเชื่อฉันฉันเนี่ยเอาความรู้มาจากอัลลอฮฺผ่านวะฮีผ่านจิบรีรินนะเอามาให้ท่านสะอาดบริสุทธิ์ญาติพี่น้องนบีก็แอบตีนบีฉันจะเชื่อตามปู่ย่าตายายโต๊ะตีโต๊ะแช่ฉันทำมาอย่างนี้ฉันจะอยู่แบบนี้แหละนบีอย่ามาสอนฉันไม่เชื่อคุณหรอก เาก็เล่าบอกให้นบีฟังอินนาหุมแท้จริงพวกเขาที่อยู่ในนรกเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมอัลฟาอูพวกเขาได้พบอัลฟาแปลว่าได้พบได้เห็นอาบาอหุมพ่อพ่อของพวกเขาหมายถึงบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของพวกเขา พวกเขาได้พบเห็นปู่ย่าตายายของพวกเขาทามาแบบนี้และอัลละห์ตำหนิยังไงได้ไหมดอลีนหลงพิษที่ปู่ย่าตายายทำมานะ่มันพิษเห็นยังครับดอเลีนมาว่าหลงพิษแต่พี้ด้วยความเพลินไอรอยนะเพราะอัลลอฮ์ไม่ลงโทษบนดุญญนยะา ไม่ลงโทษบนดุนยาทำอะไรผิดอลัลลอ์ไม่ลงโทษเลยไม่เหมือนคนยุค ก, ก่อนคนยุค ก, ก่อนเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษเลยนะ่ะสงนาบีมาสอนพอไม่เชื่อป้าให้น้ำท่วมตายหมดเลยเห็นชัดชัดแต่ของนบีมานี่นบีตายไปแล้วใช่ไหมยังคนยังทำบาปยังอร่อยอยู่เลยใช่ <laughs> นี่ไงเอ้ยถ้าอาลัลลอฮ์มีจริงมันต้องลงโทษมาให้เห็นสิ ถ้าปูญ่าตายายเนี่ยมันผิดจริงหลงผิดจริงเนี่ยลงโทษฉันมาสิเนี่ยล้อเล่านะเองไม่เชื่อเรื่องของเองอินนา h ุมอัลฟาอับบาฮุมดอลลนแท้จริงพวกเขาได้พบพ่อพ่อของพวกเขาหลงผิด อาฉะนั้นวันนี้นะในกลุ่มพวกเรามีเยอะนะเชื่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เชื่อโตตะเกียดด้วยอันนี้ผิดที่ปุย่าตายายสอนมานะผิดยึดอัลลอฮ์ด้วยยึดโตตะเกียดด้วยยึดอัลลอฮ์ด้วยยึดหมอดูด้วยผิดปฏิบัตมุสลิมด้วยกันนะคนนอนมุสลิมเราไปพูดแน่นอนที่สุดไม่เอาอัลลอฮ์เลยอนะ่ะยึดแต่พระเจ้าย่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบนโลกใบนี้นะเราไม่แตะเยอะ ยึดอัลลอฮ์แล้วยึดปูญาตายาอีกอันนี้ผิดหมดเลยพี่น้องยึดอัลลอฮ์ยึดปู่ยาตายายยึดอัลลอฮ์ยึดหมอดูยึดอัลลอฮ์ยึดตัวตะเกียบด้วยใช่ไหมโตัวตะเกียเป็นตัวช่วยอ่าเขาอธิบายอย่างนี้เป็นตัวช่วยให้ฉันข้าวสารล่อเพิ่มขึ้นผิดถ้ายึดอัลลอฮ์ต้องอัลลอฮ์องเดียวอย่ามีอะไรมาผสมผสมไม่ได้เลย ถ้าผสมต้องนรกนูนน้ำสักกูมกับน้ำเดือยต้องผสมกันท่านอยู่บนดุงยาไปนี้ถ้ายึดอัลลอฮ์ต้องอัลลอฮ์องเดียวเลยอัลลอฮ์ทำดวงเลยล่ะน้อมเข้าใจาง่ายๆนะฉะนั้นนบีนี่เป็นห่วงเป็นห่วงคนทั้งโลกเลยละไม่อยากให้เข้านรกสักคนหนึ่งจึงสั่งหน้าที่ของมุสลิมทุกคนอยู่บนโลกดวงยาไปนี้ช่วยกั น, นเผยแผ่อิสลาม อย่าทำงานอย่างเดียวแล้วทิ้งอิสลามอย่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามให้พูด่างอิสลามให้เชิญชวนคนให้รู้จักอิสลามที่ประเทศฝรั่งเศสเน่ยเขาห้ามไม่ให้มุสลิมนมาในมัสยิดใช่ไหมปิดมัสยิดน่ะเขาไปนมาที่ไหนกลางแช้งที่กลางถนนแล้วเป็นไงคนมายืนดูขนารับอิสลามกันก็เยอะนะไปเห็นเอยเขาไม่ยืนด่า ยืนนมาช่ยอัลลอฮฺอักบัดภาพอย่างนี้เป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะอัลลอฮฺก็ดนใจให้บางคนครับทีละคนละคนละคนละค น, ะคนสภา ง, งานไหมก็ตัวประเทศไทยประเทศที่ราัฐบาลดีมากเลยนะให้โอกาสนะให้กับมุสลิมทำอยู Al ่เลยเลยขอบคุณอัลลอฮฺขอบคุณอัลลอฮฺนะที่ต่านะาเราเองทะเลาะ ก, กันเองไงวะเ น, นี้่ยก็พยายามเบาๆเหมือนก็แล้วกันนะอย่าทะเลาะ ก, กันเยอะ อต่อมาอายาที่เจ็ดสิบฟาหุมอลาอา์ซาริฮิมยุฮร์อูนฟาหุมอลาอาซาริฮิมยุฮร์อูนอายา t h i อธิบายอายาที่ห9สิบเกอายะหกเก้าที่ผ่านมา ก, ก็คือแท้จริงพวกเขาได้พบพ่อพ่ อ, พอของพวกเขาหลงผิด ลูกๆหลานๆที่เห็นพ่อเขาทำอะไรไว้เนี่ยเป็นไงรู้วยมฟ้าหุมอาลาอาซาริฮิมยุร ah um uh ้อนแต่แล้วพวกเขายังรีบเร่งอ่ uh ายุร้อนแปลว่ารีบเร่งเห็นปู่ย่าตายายทำมันผิดลูกหลานเห็นแทนที่จะช้าๆไปก่อนเนี่ยนะยอ oh, เอ้ยปะเอ้ยโตเอ้ย นั่นมันผิดนะไม่กล้าําเนียเลยไนงะเพราะโตครูเขาสั่งว่าอย่าําเนียร์ปุย่าตายาย อ, อย่ามาอยามาแหละนีอ่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะเห็นปุย่าตายายร่องรอยของปุย่าตายายทําเอาไว้ยุรอนพวกเขารีบเร่ง น, นำเอามาปฏิบัติเลยไม่เคยสงสัยเลยสักนิดนะว่านี่มันผิดหรือมันถูก แต่ถ้าสุนัขนบีผ่านมาไม่ได้ไม่ได้ไไดรอ ก, ก่อนรอ ก, ก่อนต้องประชุมก่อนอ๋อเห็นไหมสุนัขนบีเนี่ยได้ยินมาเนี่นะไม่รีบเอาไม่รีบควา้าแต่ไปรีบควา้าอะไรร่วมร่องรอยของปู่ย่าตายายที่ไม่มีหลักที่อัลลอฮ์รับรอง right ยุครออูอนเป็อะไรนะซาเรอูนอิสร์เบวาอิสรอร์รีบวิ่งตาม ชอบเอามาเลือกประเพณีปฏิบัติมาใช้แทนคำสั่งของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เปิดหูเปิดตาเรานะฉะนั้นประเพณีปฏิบัตินี่ก็มันมันเราเห็นทุกวันเลยพ่อเราทำแบบนี้แชร์เราทำแบบนี้โตเราทำแบบนี้แล้วก็เดินตามเดี๋ยวนี้เลิกไปเยอะแล้วนะจิงงจกทักสไกว์ก่อนไม่กล้าออกจากบ้านน่ะนั่นีชื่อรียกจังแวงเลยนะ่ะ แล้วก็แต่งงานเนี่ยต้องมีเพลงใช่ไหมเปิดเพลงร้องกันวันกับคืนนึงนาวโลบึมบึ ม, บม น, นึ่มในคอเคนต์นึ้ก็เพิ่งเลิกอ่ะกว่าจะเลิกได้ความยากกว่าถูกดา่าเยอะพ่อผมอ่ะไอ้ขวางอ่ะทําอะไรกันวยทําบุญกลางงานกับเพงเลิกบอลเดนินามหมดแล้วนะย่อผมเล่าว่าโตโต๊ะ่แช่กัรุ่นกดโกนเนี่ยนะก็ทําบุญกลางนานย่อจะห้ามเลย ก, ก็ ถูกดางน่ยบอกต่อยอไปนั่งกินที่บ้านไม่ดีเลยไปนั่งกลางนางเนี่ยมันเจ็บก้นคนเป็นอะไรอะ่ะทางทางควายเดินยังไงล่ามีรอยนอรอยนี่นั่งมันเจ็บก้นอ า, อาปีนามาทํากันในบ้านว่าจะเลิกได้นะนะ้น่ะประเภทนี้ปฏิบัติทั้งหมดไี่ น, ะ ม, นมาเชิญมาจากนาบีสักนิดหนึ่งนะกันยังครับวันนี้ก็มืองยังมีเหลื อ, อยีนะแต่งงานเดินตามยะฮูดีอีกวันเนี่ย มาก่อนเดินตามตัวยอะแต่วันนี้เดินตามยิวเลยครับจัดงานวันไหนวันเกิดแฮปปี้เบอร์เดย์ตามใครตามฝรัง่งนี่พวกอ่านจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ประเทศคูเวตพวกมิชชันนารีนะเขาส่งพวกบานหลวงไปทำงานที่ประเทศคูเวตประมาณสาสปีพอเสร็จแล้วก็พอ ก, กลับมาถึงอเมริกาเขาก็ถามบอกว่า มุสลิมรับาศาสนาคริสต์ครับเขาบอกไม่มีใครรับเลยแต่เมื่อก่อนนี้เขาไม่รู้จักแฮปปี้เบอร์เดย์เดี๋ยวนี้รู้จักกันหมดแล้วเด็กรุ่นใหม่นี้แฮปปี้เบอร์เดย์หมดเลยครับเมื่อก่อนนี้ผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ได้ถือแขนจับเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก่อนแต่งงานเขาไปถ่ายรูปเอาหน้าติดกันแล้วทําทุกอย่างเหมือนเราทุกอย่างเห็นไหมเนาะ วัฒนธรรมยโฮดีต้องการจะทำลายคนแต่เราไม่รู้สึกตัวไงความรามาด้วยให้ดารามานำให้นักรองมานำให้นักสแสดงมารำโอ้โหเนี่ยลูกหลานเรานะถ้าดูทีวีเยอะก็อันตรายเหมือนกันมันต้องอบรมศาสนาในบ้านเราต้องพ่อแม่ต้องแข่งขัดอีมานต่ออัลลอ์แล้วก็ดึงลูกหลานอย่าให้เสียคู่พูดเสียคนนะครับ ฟาหูมาเลอาซาริฮิมยุรอนแต่เล่าพวกเขายัางรนเร่งตามรอยของเขาทั้งหลายเดินตามรอยเลยรนเร่งด้วยนะแบบรีบเร่งเลยนะถ้าของนบีเนี่ยต้องผ่านคนนั่นก่อนผ่านคนนี้ก่อนเดี๋ยวจะถูกว่าเข้าหน้าพวกไม่ได้เกรงใจคนไปหมดสูหน้า น, นาบีเข้า บ, บ้านไม่ได้ แต่ออาประเพณียัฮูดีเข้าบ้านได้แบบสง่างามเลยห้ามดุลิเล์ต่อมาครับว่ลก็ดัลลัคว่าเบลฮุมอักษรุลอวอลินว่ล้วก็ดัลลัคว่าเบลฮุมอักษรุลอวอลินดัลลาแปลว่าหลงผิดอ่า วอยรินมากูดูอย่างเราดอลินนั่นก็หลงผิดนั่นแหละสับคำเดียวกันดอลล่าไปว n g หลงลหลงผิดดอลล่าหลงผิดก่็นลุมแปลว่าก่อนหนะ้าพวกเขาคนที่มาก่อนหนะ้นานบีทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เนะี่ยหลงผิดกี่คนมากหรือน้อยอัคซัส่วนมากอัคซรรันแปาส่วนมากเอาวอยรน แต่กนหน้ามากแล้วก็บรรพุมกเอาวลีเนี่ยพวกอะไรเอาวลีเนี่ยพวกนี้อย่างซอบ้านนบีนะคนที่เอาวันที่รับอิสลามในยุคแรกๆก็ได้เอาวันน่ะคนที่ก่อนหน้าก่อนหน้าก่อนหน้านี่เหมือนกันก่อนหน้านี่เป็นคนไม่เอาศาสนากันหมดน่ะสมัยนบีลูดเอาไหมทําอะไรไว้บาปบาปทำอะไรไว้ผู้หญิงกับผู้ชาใช่ไหมผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชากับผู้ชา ย, ชายข้อหากันใช่ไหมอันนี้มันมีศัตว์ใหมยย่นะ บีทีเอระยานในน้นผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายเป็นอะไรนี่ยแต่งงานกันอะไรกันรัฐบาลก็ยอมรับทั่วโลวกยอมรับนี่มันพิสูจน์อิสลามไะ อ, อัลลอ์เอาไปไปไปเอาไ ป, เ, าไปเดี๋ยวตอนสุดท้ายของชีวิตเองเจอแน่ใน ง, งานในทั้งหมดนี่อลัลลอ์ให้แค่โลกนี้โลกโลกเดียวอย่าลืมนะแล้วอลัลลอ์ก็ ปล่อยให้อร่อยเลยเอ็งเอาไปเลยให้เต็มที่โลกวันเตียมะไม่ใช่ของเองหมดพี่น้องครับบุคคลตัวอย่างมีอยู่สีกลุ่มพี่น้องไม่ใช่ตัวยอ่อไม่ใช่ประเพณีปฏิบัติไม่ใช่อันนำจะอะไหิมตรงนี้ต่งากบุคคลตัวอย่างคือบุคคลที่อัลลอดได้ประทานอะไรนะประทานความโปรดปานให้แก่เขาเหล่านั้นที่ยงวันอสล่าฟิฮะกันนะ่ะ สิรอตลาดีนอันนำตาลายหิมขนทางที่อลัลลอ์ได้ให้กับคนที่อลัลลอ์ได้ประทานความโปรดปานให้เข า, เขาอธิบายยังไงมีอยู่ีกลุ่มหนึ่งกลุ่มนบีทั้งหมดนั่นเป็นทางนาที่ถูกต้องเดินตามนาบีได้เลยไม่ขาดทุนสองซิดดีกินซิดดีกินเนี่ยสิฟายของไซนาอบูบกัด เป็ซาฮบานาบีนะเดินตามสายนาบุบกัสไม่ขาดทุนนะพี่น้องแล้วก็ชูฮัดาคนที่ตาชัยหิตทั้งหมดมันเขาอยู่ในศาสนานี้เขาเสียสละในศาสนานี้เสียเงินเสียทองชีวิตของเขาเพื่อปกป้องศาสนานี้เขาเรียกว่าตาย ต, ตาชัยหิตชูฮัดาพวกนี้ในทางนั้งมีถูกต้องเชื่อก็ได้เลยพนะี่น้องแล้วก็ซอร์ฮินคนอาเลมเมาลามาคนซอร์แรกทั่วโลกนะ ที่เหลืออยู่วันนี้เป็นน้องครับนั้นก็อยู่ในศ า, ศาสญญนานี้แต่ต้องเลือกด้วยนะอุลมามะมีสองกลุ่มกลุ่มอุลามะสุกับอุลามะที่อัลสุนาห์นบีต้องเลือกเอากลุ่มที่เอาลสุนาห์นบีเฉพาะมีสีกลุลล่มอร่อยคำอยู่เรื่อยเป็นน้องเรามีทางออกสําหรับที่เราไม่ใช่ตันนะท่านเรียนศาสนาเข้าใจกุรานเข้าใจสุนาห์นบีพอแล้วเป็นน้องครับ อย่างอื่นก็อธิบายประกอบทอา น, นั้นเองไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตเป้าหมายคือกุรอานและสุนนะนบีและสฮบานนบีมาอธิบายกุรอานเขาปฏิบัติตามกุรอานเขาจเจริญรอยตามสุนนะนบีแล้วก็สฮบานนบีเขาอยู่ยังไงไปนัอง น, นั่งคือแนวทางที่ถูกต้องที่สุดต่อมาขรอพยากรณที่72็ดสงว่าคนในยุคก่อนโดยแน่นอนยิ่ง วันเราก็ด้นละกอบิลาหุมอัครุลเอวลรีโดยแน่นอนยิ่งส่วนมากของพวกเขาแต่ก่อนนี้ก่อนหน้าพวกเขาได้หลงผิดอันนี้เอาล้อเล่าให้ฟังนะผู้ภาษาเพาะเลยนะพวกเขานหลงผิดก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดมีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มนบีนี่เล่าให้กุเรชฟังนะกลุ่มกุเร เหมือนกันศาสนาไม่เอานาบีมามาเตือนก่อนหน้านาบีคือนบีอิบราฮีมกลุ่มฮูดกลุ่มซอนแล้วใช่ไหมเนี่ยคนเหล่านี้นะไม่เอาศาสนาทั้งหมดเลยแล้วอัลลอ์ก็ลงโทษให้เห็นแล้วก็เล่านันกปีคุรานให้นบีฟังนบีก็มาเล่าให้พวกเราฟังวันนี้อัลฮัมดุดลิลละ ว่ล้ก็ด้อร์สัลนาฟิหิมมุนซิรินว่ล้ก็ด้อร์สัลนาฟิห์มมุนซิรินอัสนนาเบวาเราได้ส่งไปนองนึกเองก็ได้ส่งอะไรหนึ่งสุราอัลลอ์ส่งมา นบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ประโ sim มานบีก่อนหนะ้านบีอัลลอฮ์ส่งมาทั้งหมดไม่ใช่มาเองครับสบายใจทีนี้ส่งบรรดานาบีเหล่านั้นมาเนี่ยมาทําอะไรครับเนี่ยอัลลอฮ์บอกให้เรารู้นะมุนซีรินเป็นผู้ตักเตือนทรงบรรดานาบีมาทั้งโลกเนี่ยมาเป็นผู้ตักเตือนมาสอน ก่อนจะสอนน่ะทำก่อนนี่อธิบายได้เลยนะก่อนที่นบีจะจะสอนเนี่ยนบีทำก่อนแล้วก็สอนทีหลังเช่นจะพูดเรื่องนมาตหัดยุทธเนี่ยนบีนมาตหัดยุทธก่อนแล้วสอนทีหลังเห็นนะจะพูดเรื่องกราบเวทตไม่อนุญาตให้นบีไม่กราบก่อนแล้วก็มาสอนทีหลังเห็นไหม จะพูดไปอย่ า, ยาทะลา ก, กับภรรยานาบีไม่ตกหน้าภรรยาก่อแล้วสอนทีหลังวันนี้เราก็เหมือนกันนะก่อนที่จะสอนให้ลูกให้ใครก็ตามแต่เดินทำอย่างนี้นะคนสอนต้องทำก่อนนี่บรกิการในชีวิตเราไม่จะแตะใครนะบางคนนะชอบพูดให้คนอื่นทำตัวเองไม่ได้ทำบัญญายเนี่ย โห oh, ชาดชาดชาดตัวตัวเองทำบาปทาหยุธไม่เคยทําเลยอ่ะนี่เราไม่เราแต่แค่นี้พอนะเนี่ยเล่าเรื่อุณอ่านว่าอัลลอฮ์เนี่ยสมนบีมาทั้งโลกมานี่นะแล้วก็มันเน้นที่นบีมัมมัดเป็นนบีคนสุดทนะ้ายแล้วนบีนั้ไม่มีมาอีกแล้วเนี่ยมาเตือนเตือนเตือนเตือนให้ระวังตัวนะอาสามีจริงนรกมีจริงตายแล้วฟื้นจริงอธิบายให้ฟังมุนเซรี ทีนี้ผู้ที่มาหานาบีเนี่ยไม่ใช่อัลล์ลงมาหานาบลีเองนะอัลลอฮ์แต่งตั้งยิบรีนมาหานาบีนะชืๆๆๆ่อิบรีนใช่ไหมมาที่ไหนนี่คุณอ่านอธิบายอย่างนี้นะครับนั่ลบรรูหลอามีนอะลาคัลบิกะลิตูนมินอัลมุนซิรินอัลลอฮ์ทรง ยิบรีลอลัยฮิสลามเรียกว่าร uh ัวฮุลอาลีนมาที่หานาบีมาโดนใจนาบีเลยอะลาค้อนบิกะมาถึงหัวใจนาบีเลยไม่ได้ผ่านมือไม่ได้ผ่านเท้าไม่ได้ผ่านเท้าผ่านอะไรหัวใจลงมาที่หัวใจนาบีเลยเห็นยังครับนี่เราเองวันนี้ก็เหมือนกันเป็นนางครับถ้าเราขอดูอาตอาอลออลอจาสาร อ, อยากได้อะไรนะ ประทานความความความควา ม, ความรู้สึกที่ดีๆนะโอ้อลลอแต่ยิบรีนไม่มาเลยนะให้มารกยกามามาที่หัวใจเราโดนใจเราให้นึกนั่นนึกนี่หลอกเป็นของดีๆนะ่ะนี่มาจะเอาล้อมหมดเลยพื่อน้องครับจะเป็นคนดีไม่ผ่านไม่ผ่านนลรอบไหวไหมจะเป็นคนดีไม่ผ่านนาบีได้ไหมจะเป็นคนดีไม่เอาสุนันนาบีมาใช้ เอ็งทําความดีอัลลอฮ์ก็ไม่พอใจเพราะฉันสรงนบีมาสอนทุกเรื่องใช่ไหมไม่ใช่แม้แต่จะเข้าห้องน้าน่ะฉันสอนนบีให้เอาเท้าซ้ายเข้าก่อนแล้วเอ็งถ้าไม่เดินตามนาบีอ่ะบางคนพูดอย่างนี้ความดีจะทําไปเถอะอัลลอฮ์ถึงอัลลอฮ์ออหมดใครบอกอเอ็งนึกเองต่างหากทาความดีมันต้องมีร่องรอยที่มาจากรอซูน ร่องรอยจากปุญาตายิยายเอารอรับไหมรับเลยไม่รับไม่รับผ่านปุญาตายิยายเอารอรับไหมไม่รับก็ดูสิฟ้าหุมอาลาสารีฮิมยุโรนของปุญาตายิยายจะรีบคว้ากันจังยุ่รอบแปลว่ารีบคว้ามาใชา้ที่ของนบีก็ช้าก่อนช้าก่อนนี่เตือนพวกเราวันนี้นะทําไมของที่มาจากนบีทําไมรอช้าจังเลยอนะ่ะ กว่าจะเปลี่ยนได้น่ะปีสองปีสามปีที่มาจากปุยยะตาญ่แล้วแป๊บเลยคว้าเลยขับจากเจ้ามานี่เอาล้อเตือนนะกะเปี๊ยะโบราณตกลงว่าทามุนซีรีเนี่ยญาณกัสรอนเนี่ยมุนซีร์เนี่ยนบีมาในฐานะผู้ตักเตือนผู้สอนและความรู้ของนบีนี่ใครเอามายิบรีลง ม, มาให้โดนใจของนบีเลยนะจราลอลากอลบิกะ นี่อรรรลองเองนะฉันให้ยิบรี ล, ลงมาหาที่ใจท่านหวัวใจท่านนาบีเลยเรนั้นของที่นบีทําไปน้องก็ทําได้เลยไม่ต้องไปสงสัยแล้วว่ามันจะจริงหรือไม่จริงจากบุญญาตรายเนี่ยมันโกหกหรือโกหกมันมันมันจะมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ของนบีนี่พันเปอร์เซนตเลยไม่มีอะไรผิดกับอายะสุดท้ายฟังดู ก็ฟะคนาท่บาตุลม um ุลลาีนฟังดุษก็ยฟะคนาท่บาตุลมุลลาลีนฟังดุดแปลว่าจงดูเถิดจงดูดูโดยตาด้วยดูโดยใจด้วยก็ได้ใชม่ได้คำว่าดูมีอธิบายได้สองอย่างไดใจได้ตาได้ กล้ปาอย่างไรอาติบ้งางแปลว่าผลสุดท้ายปลายอุโมงผลผลผลผลผลสุดท้ายของคนที่มุนซารีนอย่าลืมนะอายาแรกนะมุนซีรีนอายานี้มุนซารีนมีฟัตฮะความหมายต่างกันถ้ามุนซีรีนแปลว่าผู้ตักเตือนมุนซารีนฟัตฮะผู้ถูกตัก ตเตือนอย่างนี่ซาบกูรานเนี่ยอัลลอฮ์เป็นซาลาจากอีมาอ่าในความหมายเปลี่ยนแล้วมุนซารีนผู้ถูกตักจากพวกเราเนี่ยบรรถูกตักเตือนใช่ไหมเป็นผู้ถูกตักเตือนใครตักเตือนเราอัลลอฮ์ส่งนบีส่งจิบรีนมหานาบีให้นบีมาสอนเราเรียกนบีว่ามุนซัดมุนซิรเราเป็นผู้ถูกตักเตือนเรียกว่ามุนอะไรมุนซัดอ่ามุนซาลี คนที่ถูกตักเตือนแล้วไม่ยอมรับคําตักเตือนเองเจอเจอโทษแน่ๆเจอกตอนไหนครับนูน่นไงหลังตายนูน่นบนดวงยานี่ลงไม่ไม่ลงครับให้เพลินไปโลกเดียวนะหลังตายแล้วจบฉะนั้นมุนซารีนพวกเรามุนซีรีนนบีนบีมาในฐานนะเป็นผู้ตักเตือนคนแล้วก็นบีตักเตือนไม่เคยด่าคนเลยนะ มถิถูกดา่าถูกด่าเอา้าตรงไหนไปเมืองตออิฟใช่ไหมถูกสามเรื่องถูกดา่าถูกไล่แล้วก็ถูกขว้างด้วยหินวันนี้ลูกหลานของเมืองตออิฟเนี่ยเขาขอดวอาให้อลอจะอภัยโทษให้ตโตยกฉันเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยนะกีฉันบุญญาตายาฉันที่เอาเหินขว้างนาบี ลูกหลานสมัยนี้เขาขอมาอภัยโทษท่านาอาจายลอจา์จะลงโทษปู่ย่าตายายฉันเลยนะแล้วพวกเราวันนี้นเป็นมุสลิมเราเคยข อ, อลอจาร์จะลงโทษปู่ย่าตายายฉันที่ทํำชีวิตกันไว้เคยขอระบาแล้วต้องนึกของเคสเนี่ยไปหาตกไปหาตัวตะเกีกันจังอนะ่ะผมกุมขอบรัว น, นะให้ญาติพี่น้องเราที่อยู่ของเคสเนี่ยเียไปหาตัวตะเกยอยร์ลอจาร์อภัยโทษให้พวกเขาด้วยเพราะพวกเขาไม่รู้ แต่วันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นน่ะดาคนที่เตือนให้เอาเอาเอาเอาสุดหน้ามาช้าทุกดามันก็เหมือนกันเหมือนท่านนบีทุกดาสมัยก่อนมันก็เหมือนกันประยายนาเอาระยะสุดท้ายฟังซูรุกัยฟากานาตีบาซุลมูซารีดัมนั้นจงดูเถิดผลสุดท้า ย, า ย, ายของผู้ถูกเตือนเป็นอย่างไรทำไมอยู่ในนรกล่ะเพราะเตือนแล้วไม่เชื่อนะ เห็น ไ, ไหมละสอนแล้วไม่เชื่อต้องอยู่ในนรกต่อไปแล้วอยู่ในนรกอยู่ไปมีวันหมดอายุไหมไม่มีวันหมดอายุตลอดไปเลยนอกจากเราจะเมตตาใครเอาออกมาจากนรกเร า, าจะบินเลยเป็นซาล็กพี่น้องครับก่อนจะจบนะครับให้ความรู้กับท่านพี่น้องนิดหนึ่งว่าแสแวงหารฤากีที่ไปหมดอายุหนึ่ง ลุกขึ้นนมาตะหัดยุทธพยายามทำนะริกรรสรกีไม่หมดอายุครับสองนำมาดุหาริสกีไม่หมดอายุสดูแลช่วยเหลือพ่อแม่เขาป่วยไปเยี่ยมเขาเอาเงินทองไปให้เขาพูดจาดีๆกับเขาเป็นริกรนกนรน ส, สรกีที่ไม่หมดอายุแล้วก็อ่านคุรานสม่ําเสมอเป็นริสกีที่ไม่หมดอายุ นามาทุกนมาที่น้องคู่ชั่วู่ชัวนี่เป็นรีสกีที่ไม่หมดอายุแล้วก็มีมารยาทงามยิ้มกับคนทักกับคนบางคนมองเสียหน้าเยอะเออทักคนนี้เว้ยแล้วทําตามอัลลอฮ์สั่งทํานบีสั่งนอบ น, ออน้อมถ่อมตนทักกับคนยิ้มกับคนดูแลภรรยาอย่าทะเลาะ ก, กับภรรยาเป็นไรนะเป็นรีสกีที่ไม่หมดอายุ รอติดต่อกับญาติพี่น้องเป็นฤสกีที่ไม่หมดอายุแล้วก็ไม่นินทาคนโอกาสจะนินทามีไหมมีแต่เราไม่เข้าใกล้กลุ่มเนื่ชอบนินทาฉันถอยมานี่แหละเป็นฤสกีที่ไม่หมดอายุมีรางวัลตอบแทนจากอลอข้อสุดท้ายเอาข้อเดียวนะรักกันวันนี้แต่รับกับใครก็ตามอย่ารักเพื่อการเมืองอย่ามันกลุ่มฉันเสื้อเหลืองด้วยกันเสื้อแดงโดยการอย่าไปเอา้าฉันรักเพื่ออลอ อัลอาคิลละเยาวมาอิดินบาดูหุ่มหรือบาดินอดูอิลลัลมุตรตักอนรักใคร่กันจะเป็นสัตว์กันหมดในโลกอาคิราะยกเว้นคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮฺพี่น้องนี่ไงริสตีที่ไม่หมดอายุนอกนั้นรอหมดอายุทั้งหมดแล้วไม่ถึงอัลลอฮฺด้วยแล้วก็เสียเวลาในการอยู่บนโลกดุยารังวันไม่มีตั้งแต่ต้นศุภะนะทุกท่าน أشهد أستغرق واتر بلائك. ข้าม ل ในบ้า ن